ลำดับ3อุปกิเลยานนิเทศแสดงยานในอุปกิเลสหมวด6ที่1ข้อ366หน้า230อุปกิเลส18เหล่าไหนย่อมเกิดขึ้นเมื่อบุคคลใช้จิตไปตามเบื้องต้นท่ามกลางและที่จุดแทงลมหายใจเข้าจิตที่ถึงความฟุงฟ้งซ่านในภายในย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิ เมื่อบุคคลใช้สติไปตามเบื้องต้นท่ามกลางและในสุดแห่งลมหายใจออกจิตที่ถึงความฟุ้งซ่านในภายนอกย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิความปรารถนาความพอใจลมหายใจเข้าการเที่ยวไปด้วยตันหาย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิความปรารถนาความพอใจลมหายใจออกการเที่ยวไปด้วยดันหา ย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิความหลงในการได้ลมหายใจออกแห่งบุคคลผู้ถูกลมหายใจเข้าครอบงำย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิความหลงในการได้ลมหายใจเข้าแห่งบุคคลผู้ถูกลมหายใจออกครอบงำย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิสติไปตามลมหายใจเข้าหนึ่งสติ ไปตามลมหายใจออก1ความหวังลมหายใจเข้าฟุ้งซ่านในภายใน1ความหวังลมหายใจออกฟุ้งซ่านในภายนอก1ความหลงในการได้ลมหายใจออกแห่งบุคคลผู้ถูกลมหายใจเข้าครอบงำหนความหลงในการได้ลมหายใจเข้าแห่งบุคคลผู้ถูกลมหายใจออกครอบงำหน อุปกรณ์หกประการนี้เป็นอันตรายแก่สมาธิอันสัมายุทธ์ด้วยอนาปานสติและเป็นเหตุให้จิตของบุคคลผู้หวนไหวไม่หลุดพ้นพระโยคาวจรทั้งหลายยังไม่เข้าใจวิโมกจึงสมควรเชื่อต่อผู้อื่นชะนี้แลหมวด6ที่สองข้อ367หกหน้า231 เมื่อพระโยคาวจอนคำนึงถึงนิมิตจิตย่อมกัดแกงอยู่ที่ลมหายใจเข้านี้เป็นอันตรายแก่สมาธิเมื่อพระโยคาวจอนคำนึงถึงลมหายใจเข้าจิตย่อมกัดแกงอยู่ที่นิมิตนี้เป็นอันตรายแก่สมาธิเมื่อพระโยคาวจอนคำนึงถึงนิมิตจิตย่อมกัดแกงอยู่ที่ลมหายใจออกนี้เป็นอันตรายแก่สมาธิ เมื่อพระโยคาวจรคำหนึงถึงลมหายใจออกจิตย่อมขัดแหว่งอยู่ที่นิมิตนี้เป็นอันตรายแก่สมาธิเมื่อพระโยคาวจรคำหนึงถึงลมหายใจเข้าจิตย่อมขัดแหว่งอยู่ที่ลมหายใจออกนี้เป็นอันตรายแก่สมาธิเมื่อพระโยคาวจรคำหนึงถึงลมหายใจออกจิตย่อมขัดแหว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้านี้เป็นอันตรายแก่สมาธิ เมื่อคำนึงถึงนิมิตใจย่อมขวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าเมื่อคำนึงถึงลมหายใจเข้าจิตย่อมขวัดแกว่งอยู่ที่นิมิตเมื่อคำนึงถึงนิมิตใจย่อมขวัดแกงอยู่ที่ลมหายใจออกเมื่อคำนึงถึงลมหายใจออกจิตย่อมกวัดแกว่งอยู่ที่นิมิตเมื่อคำนึงถึงลมหายใจเข้าใจย่อมกวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจออกเมื่อคำนึงถึงลมหายใจออก จิตเจ้าขวัดแกว่งอยู่ที่ลมหายใจเข้าอุปกิเลส6ประการนี้เป็นอันตรายแก่สมาธิอันสามายุทธ์ด้วยอนาปานสติและเป็นเหตุให้จิตของบุคคลผู้หวั่นไหวไม่หลุดพ้นพระโยคาวาจ์ทั้งหลายยังไม่เข้าใจวิโมกจึงสมควรเชื่อต่อผู้ อ, อื่นชะนี้แลหมวด6ที่สา จิตที่เล่นไปตามตีตาลมตกไปข้างฝ่ายฟุ้งสั้นย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิจิตที่ปรารถนาอนาคตาลมถึงความหวั่นไหวย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิจิตที่หดหู่ตกไปข้างฝ่ายเกียรครั้นย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิจิตที่ประคองเกินไปตกไปข้างฝ่ายฟุ้งสั้นย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิ จิตที่น้อมรับตกไปข้างฝ่ายกำหนัดย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิจิตที่ผลักดันตกไปข้างฝ่ายพยาบาทย่อมเป็นอันตรายแก่สมาธิข้อ368หน้า232ริบจิตที่เล่นไปตามปฏิตาลมที่ปรารถนาอนาคตาลมจิตที่หดหู่จิตที่ประคองเกินไป ที่น้อมรับที่ผักดันย่อมไม่ตั้งมัน่นอุปกิเลส6กประการนี้เป็นอันตรายแก่สมาธิอันสัมยุทธด้วยอนาปานัสติอุปกิเลสเหล่านั้นย่อมเป็นเหตุให้บุคคลผู้มีความลำลิดเศร้าหมองไม่รู้ชัดซึ่งอธิจิตชนนี้แลกข้อสหน้า233 เมื่อพระโยกาวจรใช้ติตไปตามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งลมหายใจเข้ากายและจิตย่อมกระสักกระสายวันไหวและดินน้นรนระจิตถึงความภุ่งซ่านหน้าภายในเมื <Me> ora, <Me> ่อพระโยคาวจรใช้ติตไปตามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดแห่งลมหายใจกายและจิตย่อมกระสักกระสายวันไหวและดินน้นรน เพราะจิตถึงความฟุ ksam, ้งซ่านน้าภายนอกกายและจิตจมกระสับกระใสวันไหวและดิ้นรนเพราะความปรารถนาเพราะความพอใจลมหายใจเข้าเพราะความเที่ยวไปด้วยดันหากายและจิตย่อมกระสับกระใสวันไหวและดื้นรนเพราะความปรารถนาเพราะความพอใจลมหายใจออกเพราะความเที่ยวไปด้วยดันหา กายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดินน้นรนเพราะความที่พระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจเข้าครอบงำเป็นผู้หลงไหลในการได้ลมหายใจออกกายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดินน้นรนเพราะความที่พระโยคาวจรผู้ถูกลมหายใจออกครอบงำเป็นผู้หลงไหลในการได้ลมหายใจเข้า กายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิ้นรนเพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผู้คำนึงถึงนิมิตกวัดแวงอยู่ที่ลมหายใจเข้ากายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิ้นรนเพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผู้คำนึงถึงลมหายใจเข้ากัดแวงอยู่ที่นิมิตกายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิ้นรน เพราะความวิจิตของพระโยคาวจรผู้กำานงถึงนิมิตกวัดแ่งอยู่ที่ลมหายใจออกกายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิ้นรนเพราะความวิจิตของพระโยคาวจรผู้กำเนงถึงลมหายใจออกกวัดแ่งอยู่ที่นิมิตกายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิ้นรนเพราะความวิจิตของพระโยคาวจร ผู้กำเนิดถึงลมหายใจเข้าควัดแกล่งอยู่ที่ลมหายใจออกาออกายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิน้นรนเพราะความที่จิตของพระโยคาวจรผู้กำเนิดถึงลมหายใจออกวัดแกวงอยู่ที่ลมหายใจเข้ากายและจิตย่อมกระสับกระสายวันไหวและดิน้นรนเพราะจิตเล่นไปตามอติตาลมตกไปข้างฝ่ายความฟุ้งซ่าน กายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดิ้นรนเพราะจิตปตารนาอนาคตาลมถึงความกัดแกว่งกายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดิ้นรนเพราะจิตหดหู่ตกไปข้างฝ่ายเกียรติกรานกายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดิ้นรนเพราะจิตที่ประคองเกินไป ตกไปข้างฝ่ายอุท จ, จักกายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดินน้นรนเพราะจิตน้อมรับตกไปข้างฝ่ายกำหนัดกายและจิตย่อมกระสับกระส่ายวันไหวและดินน้นรนเพราะจิตผักดันตกไปข้างฝ่ายพยาบาทผู้ใดไม่บำเพ็ญไม่เจริญอานาปานสติกายและจิตของผู้นั้นย่อมหวั่นไหว ดิ้นรนผู้ใดบำเพ็ญเจริญอนาปานสติดีกายและจิตของผู้นั้นย่อมไม่หวั่นไหวไม่ดิ้นรนชานี้แลก็แลเมื่อพระโยคาวจรผู้มีจิตหมดจดจากนิวรเหล่านั้นจเจริญสมาธิอันสมยุทธ์ด้วยอนาปานสติมีวัตถุ16ความทิจิตตั้งมั่นเป็นไปชัว่วขณะย่อมมีได้ อุปัคิเลส8เหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นจบอุปาคิเลสจานิเทศที่สาม